เรื่องที่เจ็ดไฟไหม้บนธรรมานเล่าเรื่องจริงที่เมืองญี่ปุ่นเขาสอนเซนด้วยวิธีสาธิตมาแล้วทำให้คิดขึ้นได้ว่าควรจะเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเมืองไทย แต่เป็นสมัยสักห้าสิบิปีมานี้เองนี่ก็เกิดจากการกระทาทำนองบทเรียนด้วยของจริงอีกเหมือนกันสถานที่จะเป็นแถวบางมดหรือบางกลวยอะไรนี่ลหละจำไม่ถ น, นัดเอาเป็นว่าหมู่บ้านในสวนแถวใกล้ๆกรุงเทพนี่เองการครั้งนั้น ชาวบ้านนิยมฟังเทศสามธรรมะาเป็นลาเป็นสันพอถึงวันนัดฟังเทศอาทิตตปริยายสูตรกันชาวพุทธต่างกลุ่มต่างก็มีหน้าที่นิมนต์นักเทศองค์ที่ตัวชอะป่าโดยไม่ต้องมีการนัดหมายนักเทศก็ไม่จำเป็นต้องรู้ตัวซักซ้อมกันมาก่อนไม่เหมือนการจัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์สมัยนี้ กล่าวคือเมื่อจะเทศในเรื่องใดสูตรใดก็เป็นเทศปฏิพาน์สแสดงความสามารถของธรรมกถึกธิจะสันดงสักสไซไล่เลียงให้พุทธบริษัทผู้นั่งฟังได้รู้จังกระจ่างในขณะนั้นในสถานะเช่นนั้นในบัดนั้นทันทีเมื่อมีการเริ่มบอกสักกรารอารัมภกถา เทศสามธรรมะาขึ้นแล้วสมมุติธรรมะานั้นธรรมรานี้รับหน้าที่วิสัชนาเป็นหน้าที่หน้าที่ไปแล้วองค์ผู้อยู่ธรรมรากลางก็เริ่มทําหน้าที่ซักถามธรรมราซ้ายมือก่อนดําเนินเรื่องเกี่ยวกับราคคิไฟคือราคะเป็นลําดับนักเทศทั้งสอง ได้พาผู้ฟังเฮฮาคลื่นเครงไปด้วยเป็นอย่างดีโดยมีคารมโต้ตอบเกี่ยวกับราคะว่าคืออย่างไรเหมือนอะไรไม่เหมือนอะไรเกิดที่ไหนอาศัยอะไรเกิดที่ว่าตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนร้อนด้วยไฟคือราคะนั้นมันอย่างไรยิ่งญาติโยมเชียผู้เทศก็สนุกกับลวดลายกกลเม็ดของตน กระทั่งเรื่องสุดกระแสะความลงไปเกี่ยวกับราคาคิไฟคือราคะหนึ่งหลังต่อไปก็เป็นพนักงานของพระคุณเจ้าธรรมะมทางขวามือวิสัชนาโทสัคิไฟคือโทสะเป็นลำดับสองแต่ขณะนั้นไม่มีใครกี่คนสังเกตว่าท่านองค์ที่สามนี้ ท่านนั่งฟังสององค์แรกโต้กันอย่างเงียบๆโดยดุษฎีพอถูกถามขึ้นตามแบบฉบับว่าโทสะคืออะไรเหมือนอะไรไม่เหมือนอะไรเริ่ต้นคนทุกคนในที่ชุมนุมพากันเงียบเสียงลงต่างเตรียมตัวเงียหูฟังฝีปากธรรมกถึกองค์หลังที่ยังไม่ได้ปริปากเทพมาตั้งแต่ต้น แทนที่ท่านรักเทศองค์หลังจะตั้งนักโมเสียงเจื่อยแจ้วตามธรรมเนียมกลับมีการเงียบกันไปพักหนึ่งทำให้ญาติโยมทุกคนในที่นั้นชะงนชะงายว่าเมื่อไรท่านจะเริ่มดำเนินความเห็นท่านได้แต่จ้องตาผู้ทําหน้าที่ถามไม่วางตาพลางเอ่ยขึ้นด้วยเสียงต่ำๆไม่ดังนักว่าสุนตีน กล่าวแล้วก็ยังคงจ้องตาเป๋งตรงไปธรร ม, มาตกกลางอยู่นั่นเองเสียงที่กล่าวขึ้นท่ามกลางความเงียบทำให้ทุกผู้ทุกคนในที่นั้นพลึงเพลิดไปหมดไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดมีเสียงขยับขยื่นทางธรร ม, มาตกกลางซึ่งก่อนหน้านั้นมีเสียงเจื้อยแจ้ว แต่มาได้รับคำย้อนให้เช่นนั้นถึงกับชันลักไม่เคยนึกว่าจะมีคำพูดต่อหน้าธารกํามนันเช่นนี้ใจก็นึกไปว่าญาติโยมคนใดหนอช่างไปนิมนต์พระบ้าองนิมาเทศมิหน้าเราเห็นในตาไม่เป็นมิตรไมตรีกันมาแต่ตน้นอย่างนี้การเทศครั้งนี้ก็เสียหายหมดละสิมันเรื่องอะไรกันหรือดูถูกเรา ว่าเราบกพร่องอ <uh> ันใดเมื่อท ah> ่านองค์ที่ทำหน้าที่ถามถูกทำให้ทุกคนได้เห็นว่ามีหน้าแดงก่าไม่ยอมสบตากับใครกระสับกระสายอยู่บนธรรมาฏครู่หนึ่งสมควรแก่เวลาพระเถระผู้พูดถ้อยคำที่ใครก็แปลไม่ได้ว่าสนตีนกับใต้บาท มันผิดกันตรงไหนจึงได้เริ่มตั้งนโมทเทศวิสัชนาเกี่ยวกับโทสัคขิไฟคือโทสัต่อไปอย่างหน้าตาเฉยนิทานก็จกดูเอาเิดท่านทั้งหลายด้วยถ้อยคำเพียงสองพยางซึ่งก็อแปลไม่ได้ความหมายดีหรือเลวไปกว่า ใ้ละอองธุรีประบาทอะไรทำหน่องนั้นก็มีช่องทางให้พระเถระใช้ให้เกิดการเรียนด้วยของจริงขึ้นได้บนธรรมะนั่นเองเมื่อพุทธบริษัทที่นั่งแวดล้อมอาสนะแห่งธรรมในคราวนั้นได้ประจักษ์ว่าโทสัคคิไฟคือโทสานั้นมันคืออย่างไรเกิดขึ้นอย่างไร อาศัยอะไรเกิดร้อนที่ใดบ้างโดยมิต้องไปหาวิธีอธิบายอย่างอื่น